พกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกนี้เป็นเครื่องบอกเครื่องสอนภาวนาเราทุกคนก็จะกําหนดลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอุบายภาวนาก็ได้ คำว่าสมถภาวนานั้นอุบายใดที่ทำใจของเราให้สงบระงับได้ไม่เฉพาะแต่พุทธโธพุท ธ, ธนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ พระพุทธเจ้าของเราท่านกำหนดลมหายใจนี้เป็นอุบายภาวนาเริ่มแรกเริ่มต้น